Duh. -huh. ก็การฟัง ร, รมไปแต่ละครั้งเนี่ยก็อย่างน้อยก็พอที่เป็นกระจกส่องให้เห็นถึงการดำเนินและการปฏิบัติทั้งฝ่ายโลกแล้วก็ฝ่ายธรรมพอเรามีคุณธรรม เราก็จะดำรงชีวิตยอย่างผู้มีธรรมแต่ถ้าเราเป็นผู้ไร้ธรรมการดำรงอยู่ก็ไม่เป็นธรรมสิ่งนี้ก็คือหลักสำคัญของการปฏิบัติหลายคนก็รู้สึกว่าตนเนี่ย ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็บางคนก็คิดว่าตนอาจจะไม่สำเร็จในการปฏิบัติจริงๆแล้วยากง่ายก็อยู่ที่กายวาจาใจเราจะเข้าใจใน การปฏิบัติเพียงไหนเท่านั้นเองอย่างคุณธรรมอย่างนี้อะไรคือคุณธรรมและคุณธรรมคืออะไรเราถามแล้วก็ตอบคืนกลับมาสู่คำถามก็ได้ก็เหมือนคำว่าความกระตันอยู่ความกระตันอยู่คืออะไรอะไรเรียกว่ากระตันอยู่ การรู้จักคุณการตอบแทนคุณอย่างเช่นบุปการีผู้เอนดูเลี้ยงดูชุบเลี้ยงเรามาผู้มีอุปการะคุณต่อเราบุปการีทั้งหมดการจญยูก็อยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักตอบแทนคุณท่านหรือทดแทน คุณที่ท่านมีต่อเร า, เ อ, าอย่างเช่นท่านเคยเลี้ยงดูเรามาเราก็สมควรเลี้ยงดูท่านตอบแทนจึงเรียกว่าตอบแทนคุณท่านเคยช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของ ข้าวปลาอาหารขนมนมเนยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคตลอดถึงคอยดูแลรักษาเราไม่ให้อันตรายปนจากภัยตั้งแต่อย่างเยาว์วัยเล็กๆ เ, เราก็ต้องตอบแทนท่านเมื่อถึงเวลาที่เราสามารถทำมาเลี้ยงชีพ มีรายได้สิ่งที่ต้องตอบแทนท่านก็ต้องดูว่าท่านลำบากในเรื่องไหนถ้าเรื่องขาอ้าวปลาอาหารเราก็จัดหาให้ท่านดูเสื้อผ้าอภรณตที่ท่านนุ่งห่มถ้าขาดแคลนเราก็ต้องจัดหาให้กับท่าน ที่อยู่อาศัยถ้าเราขยับขยายได้ดีขึ้นเราก็ควรให้ท่านมีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นี่คือการตอบแทนคำว่าบุญคุณจึงต้องมีคำว่ากะตันยูกะตะเวทิตาคุณคือผู้รู้คุณเป็นนินมิตของคนดีนี่คือเบื้องต้น แต่ถ้าเราไม่มีกระตันอยู่เลยคุณธรรมนี่หายเลยนะอย่างเช่นเขาเลี้ยงเราจนโตเราก็ไม่เคยเหลียวดูท่านเลยบางทีเราก็ทำการทำงานฐานะก็ดีขึ้นท่านก็ส่งเสียเราจนได้รับการศึกษาเรามาทำงานทำการตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดีขึ้น เราก็ไม่เคยตอบแทนเลยถ้าอย่างนี้ยอมว่าเป็นคนดีหรือเนรคุณพ่อแม่ทําไม่จำเป็นจะไม่หลุดปากคำว่าลูกเนรคุณหรือว่าลูกที่ไม่ดีเั้นเราต้องรู้ฐานนะคำว่าคุณธรรมนี่คือเบื้องต้นก่อนก่อนจะไปถึงคุณธรรมขั้นสูงเนี่ย คือพื้นฐานของคนดีต้องมีนิมิตหมายแห่งการรู้คุณเริ่มต้นคือรู้คุณตั้งแต่เล็กถึงยังตอบแทนคุณไม่ได้แต่หัวใจนั้นซึมซับรู้เต็มอยู่ในใจว่าท่านมีบุญคุณกับเราทุกวันท่านเหน็ดเหนื่อยดูแลเราทุกอย่าง วันนี้เรายังตอบแทนไม่ได้เพราะเรายังเยาว์วัยอยู่แต่การรู้คุณเนี่ยเต็มในหัวใจแล้วไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติในประเทศไหนบุญคุณเนี่ยต้องทดแทนพอมาฝึกปฏิบัติหนี้แค้นต้องอภัยอย่าใส่ใจอัตมายกเว้นานแล้วหนี้แค้นให้อภัย แต่บุญคุณนี้ต้องทดแทนจะเพิกเฉยไม่ได้จะเมินเฉยไม่ได้จะไม่ใจดีก็ไม่ได้แสดงว่าเราทำผิดต่อคุ ณ, ณธรรมการปฏิบัติจิงคลุกครักเหมือนเป็นทางกันดาจะมาจะมาไว้เลยถ้าคนไม่รู้จักบุญคุณที่ สมควรตอบแทนได้แล้วยังไม่คิดตอบแทนจะรอถึงเมื่อไหร่รอ้อยท่านตายจัดงานศพใหญ่โตรอ้อยท่านเจ็บปัวยอยู่โรงพยาบาลค่อยซื้อของไปเยี่ยมไปฝากหรือรอ้อยท่านหมดแรงแล้วเราจรึงอุ้มชูท่านอย่าไปคิดเอาแค่ชีวิตมันแค่จุดจบ มาไม่เห็นด้วยถ้าจะเป็นคนดีก็ต้องเริ่มดีทุกวันไม่ใช่มาดีมีเก้าร้อยวันมาดีที่แ9ด้อเก้าิแล้วมาดีสิบวันสุดท้ายไม่ใช่ฉะนั้นพื้นฐานตรงนี้ผู้ภาวนาได้กำหนดจิตตัวเองคำว่าบุญคุณพระคุณตอบแทนคุณท่านได้แค่ไหน ตามสติกำลังมากน้อยก็ต้องทำแล้วต้องไม่ให้ท่านต้องเสียใจหนักใจกับเราด้วยแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าท่านเห็นผิดเราไปคล้อยตามมันก็ไม่ใช่ก็จะพากันตกนรกกันหมดไม่ใช่แต่เราก็ต้องมีวิธีถึงบอก โกรธคนอื่นทั้งโลกโกรธได้แต่โกรธพ่อแม่สองคนนี้โกรธกันไม่ได้ห้ามโกรธพอทุกอย่างท่านให้มาแม้ท่านเจ้าชีวิตเราก็โกรธท่านไม่ได้แต่พ่อแม่ไม่มีใครเจ้าชิตลูกถ้าทําถึงขั้นนั้นแสดงว่าลูกคนนี้ต้องแค่มอั ก, กตันอยู่แล้วถ้าพ่อแม่ที่ดีนะ เสียงลูกคนนี้เป็นลูกอากตศันยูมันหนักแล้วอากาศันยูนี้นรกถามหาแล้วฉะนั้นโยมจะต้องรู้คุณธรรมคนนี้ก่อนบางคนพ่อแม่จากไปแล้วอย่าลืมท่านพ่อแม่จะไม่ตายไปจากใจของลูกทั้งหญิงชาย ทำบุญทุกครั้งระลึกถึงท่านทุกครั้งอุทิศส่วนกุศลบำเพ็ญกุศลให้ท่านทุกครั้งเพราะท่านสอนเราเรื่องดีทั้งนั้นสิ่งใดการใดที่เราทำดีต้องระลึก ถ, ถึงท่านโดยเฉพาะการสร้างกุศลผลบุญอุทิศให้กับท่าน และไม่ต้องสงสัยว่าจะได้ไม่ได้ถึงไม่ถึงนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือะระลึกอุทิศส่วนกุศลตั้งเจตนาจิตน้อมไปสู่ท่านทำไว้แต่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ข้าวปลาอาหารจะให้ขาดเสื้อผ้า่าให้ท่านขาดถ้าไม่มีกันทั้งสองขาดก็ต้องเจ็บให้ท่านใส่ อย่านิ่งดูได้ผ้าห่มท่านมีไหมท่านยามหนาวต้องซื้อผ้าห่มนานาๆห่มให้ท่านเสื้อหนาวกันหนาวห่มให้ท่านถ้ายามร้อนท่านมีพัดลมไหมมีเครื่องปรับอากาศให้ท่านไหมถ้าเราพอทำได้ดูแลท่านถ้ากาตันยูตอบแทนคุณแค่นี้ไม่ได้เรื่องใหญ่กว่านี้เราจะทำไม่ได้ นั่นผู้ให้ชีวิตเราเรายังทำให้ไม่ได้อาตมาก็มองไม่เห็นแล้วว่าท่านจะทำอะไรได้มากกว่านี้มันมืดมืดไม่เห็นทางฉะนั้นคุณธรรมเบื้องต้นตรงนี้เราต้องดูแลท่าน ถ้ามีญาติมิตรพี่น้องหลายคนดูแลกันดีแล้วท่านไม่ลำบากลำบนเอาละ่ะตรงนั้นเราก็วางใจได้แต่ถ้าท่านลำบากลำบนธุระจุดนี้อย่าทอดทิ้งท่านพ่อแม่ไม่พึ่งลูกจะไปพึ่งใครมันเป็นคําถามที่เป็นคําตอบที่ไม่ต้องบอกก็รู้กัน พ่อแม่ไม่หวังพึ่งลูกจะพึ่งใครเพราะเราคือทายาทสายเลือดโดยตรงที่สืบสกุลจะเชิดชู ว, วงตระกูลหรือจะทำลายวงตระกูลก็อยู่ที่บุตรธิดาคุณธรรมข้อ น, นี้ยมต้องมีถ้าไม่มีตามมาบอกแล้วสิ่งที่สูงกว่าเรา หนึ่งศอกหนึ่งวาเนี่นะเขาแลเห็นอยู่คนนี้ลืมบ้านเก่าเมืองแก่บ้านเกิดเมืองนอนผู้ให้อูทธรเลี้ยงดูผู้ให้ชีวิตผู้ชุบชีวิตเป็นคนลืมชีวิตว่าได้มาอย่างไงเติบโตมาอย่างไรเหตุเช่นไหนจึงเป็นคนไม่รู้ขุนคน สุดท้ายเป็นคนในระคุณผู้ที่เขาอยู่สูงกว่าเราเขาจะไม่เอาเราเลยเพราะเขามองแล้วนี่ขนาดพ่อแม่ให้ถึงขนาดนี้มันยังไม่ะระลึกถึงคุณเลยและมาเสพสุขอยู่ดีกินดีสุขสบายแล้วก็ไม่ แ, แลดูคนที่ให้ชีวิตเลยปนละ่อยให้ท่านต้องคิดถึง ปล่อยท่านต้องรอคอยมันทรมานผู้เป็นพ่อแม่หรือคนแก่ชราที่รอบุตรธิดาญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนอย่าทำให้ท่านต้องแห้งเหี่ยวหัวใจนะทำให้ท่านชุ่มชื้นว่าท่านได้ลูกที่กตัญอยู่ถึงไม่รวยถ้ากตัญอยู่ท่านก็ชื่นใจนะ เอากลับไปพูดจาดีกับท่านนวดเฟนท่านทำให้ท่านสบายใจถึงบอกบางอย่างก็ไม่ใช่ตอบแทนด้วยเงินทองถ้าเราไม่มีแล้วก็ตอบแทนด้วยการคอยดูแลท่านตามอัตภาพตามเวลาที่พอจะมีได้จะบอกไม่มีเลยนี่ ไม่ใช่นั่นคือข้อแก้ตัวไม่มีไม่ได้ต้องบีก็ดูแลท่านแล้ววันหนึ่งท่านก็จากเราไปแต่ยามที่ท่านอยู่ก็ดูแลท่านและยิ่งถ้าเราได้มาทางศีลสมาธิปัญญา ถ้ายิ่งชี้ทางบอกท่านได้นี่คือการตอบแทนคุณที่ยิ่งกว่าป้อนข้าวให้ท่านกินยิ่งกว่านะถ้าชี้ทางสวรรค์นรกให้ท่านรู้ก่อนบางทีพ่อแม่ผู้มีคุณหลายคนที่ยังหลงกระเลิงอยู่ยังเพลิดเพลินอยู่ในกองกรรมนะ คติเบื้องหน้ายังนั่งหัวเราะแต่นรกรอยอยู่เนี่ยไม่หนุกนะไม่สนุกเลยแล้วยมนึกว่าขำเหรอจะมากลัวขำไม่ออกบางคนขำกลิ้งแต่ถ้ารู้จริงเนี่ยกลัวจะนิ่งไปเลยนะแล้วจะหนาวยมเคยได้ยินไหมว่าพอถึงเวลาบอกก็รู้แล้วจะหนาว มันสถานเลยนะมันไม่ใช่หนาวกับบรรยากาศแต่ว่ามันหนาวก็ไปถึงขั้วหัวจิตหัวใจถึงวิญญาณจะหนาวถ้าเราชี้ทางบอกทางสวรรค์ให้กับท่านแล้วท่านได้สติขึ้นมาก็โหเชื่อมว่าการตอบแทนคุณนี่ใหญ่หลวงนะักอย่างยกเรื่องภาษารีบุตร ภาษาริบุตรไม่ได้ห่วงมันดาเรื่องเข้าปลาอาหารขนมนมนหนยเพราะมันดาเป็นผู้มีทรัพย์มากร่ำรวยเกิดในตระกูลของพระมณีรวยมีทรัพย์ท่านก็ออกบวชลูกๆออกบวชหมดเลยทั้งลูกชายลูกหญิงหมดเกลี้ยงแม่ก็รู้สึกน้อยใจ วัพยุสมบัติของเราก็มีน้อยท่านภาษาลิบุตรชวนน้องชวนไลไปบวชกันมดก็รู้สึกไม่ดีเพราะก่อนภาษาลิบุตรจะสิ้นก็ไปโปรดมารดาจนสุดท้ายเนี่ยทำให้เกิดสมมาธิทิเข้าถึงความเป็นโสดาปฏิผล ปิดขุมนรกให้กับผู้เป็นมารดาตลอดนิรันดร์การมารดานี้จะไม่ตกนรกอีกเลยจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามนารกจะไม่ตกเพราะเข้ากระแสโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมแล้วการตอบแทนคุณครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเป็นการตอบแทนที่สูงส่งนัก ไม่มีการตอบแทนคุณใดยิ่งกว่าเหมือนพระเจ้าตอบแทนคุณมันดาให้เป็นโสดาบันแม้สวรรคตแล้วก็ตามก็ยังโปรโดแสดงธรรมที่ชั่นดาวดึงอภิธรรมเจ็ดบทแต่ผู้เป็น พุทธบิดายังมีชีวิตอยู่ก็ได้บรรลุอรหันต์ก่อนสิ้นนั่นเป็นการตอบแทนพระคุณอันสูงสุดถึงบอกว่าการตอบแทนคุณเบื้องต้นคือหนึ่งไม่เนรคุณรู้ใจนี่รู้ว่าเราต้องตอบแทนคุณท่านอย่างน้อยก็คือแย่ท่านลำบากเรื่องอาหารการกินการเป็นอยู่ตามอัตภาพ ตอบแทนคุณที่ลึกซึ้งไปอีกชีช้สวรรค์นรกให้ท่านรู้ถ้าตอบแทนขั้นสูงสุดเหมือนกับบุญคุณได้ทดแทนไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐเลิศกว่าแล้วปิดนรกให้กับผู้เป็นมารดาบีดาให้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเข้าสู่โซดาปฏิผล แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องหนักใจเราพยายามตามกำลังมันเป็นชะตากรรมอินทร์บารมียังไม่แก่ฝืนชะตานะ่ฟ้าพิโรธคนเขาจะโกรธเอาบางทีมันเหมือนกับไปฝืน สิ่งที่ยังไม่ใช่สิ่งที่มาไม่ถึงอย่างเช่นบนผลมไมนะ้ยังไม่แก่ยังไม่เข้าแกนดีโจมก็บอกให้สุกสุกสุกสุ ก, สกเร่งน้ำเร่งปุ๋ยเร่งใบเร่งมาตายนะั่นนะ่ะมันกลับไปบังครับมันเกินไปเอาละ เด็ดเอาไปบ่มมันยังไม่แก่เอาไปบ่มมันก็เหมือนเหมือนเหมือนยังไงก็สุกไม่ได้เหมือนไข่กกยังไงก็ตามถ้ายังไม่ได้อายุแล้วบอกให้ฟักเป็นตัวรีไปกระเทะ ไข่ยังไม่เป็นไก่มันก็ยังเป็นมันยังไม่รอดอยู่ดีสรุปอย่างนี้แต่ว่าการตอบแทนคุณเราได้พยายามแล้วนะแต่ว่าหน้าที่ของเราเมื่อทำแล้วโยมก็อย่าไปน้อยใจเสียใจลูกบางคนก็รักพ่อแม่แต่ดูเหมือน ความคิดขวากับซ้ายไปกันได้ไ ม, ยม่ยอมว่าหน้ากับหลังเนี่ยมันวนอยู่ตรงกันข้ามกันแต่ว่าเราต้องยกไว้ท่านผู้มีคุณเราเป็นผู้ตอบแทนคุณ เราทำดีเราไม่ผิดแต่ถ้าเราทำไม่ดีกับท่านเราผิดไม่ได้ฉะนั้นคุณธรรมคข้อ น, นี้ทุกคนต้องมีถ้าไม่มีเวลานั่งปฏิบัติภาวนาจะถึงจุดหนึ่งด่านนี้ผ่านไม่ได้แปลกจิตก่อนที่จะถูกชำระสะอาดบริสุทธ มันจะมีด่านกับว่าบุญคุณพระคุณตอบแทนคุณรู้คุณถ้าไม่มีจิตเราเหมือนกับภาษาโลกก็เหมือนถูกกักไว้มันไปไม่ได้เหมือนกรรมอะไรที่ยังขั่งค้างอยู่ถ้ายังไม่ชดใช้ ดูเหมือนว่าจิตนั้นสงบไม่หลงเพราะถึงวันหนึ่งมันวนนะมันแปลกเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราพอมีภูมิธรรมแล้วเราจะข้ามพ้นได้ทุกเรื่องทุกอย่างอย่างไม่ใช่ใครจะอยู่เหนือกรรมคุณธรรมก็ส่วนหนึ่งแต่กฎกรรมก็อีกเรื่องหนึ่งมันคนละตอนกันน่ะ บอกบางทีธารมาก็ดูอย่างที่ทํามาอยู่จันทบุรีวันที่จิตวันนั้นที่นั่งรู้ออกไปสู่ธรรมที่แท้จริงเนะี่ยโอ้โหมีอะไรที่มันติดอยู่ในภูมิภพจิตของเราเนี่ย มันแสดงเลยมันแสดงเลยแล้วจิตจะผ่านก็ผ่านไม่ได้มันต้องคำว่ า, าชดใช้กับออโหสิจึงสิ้นสุดพิบากรรมตรงนั้นจิตจึงจะผ่านได้โอ้ตอมาบอกอัศจัน แล้ววันที่เราเข้าไปรู้ตรงนั้นมันเหมือนกับใครก็ตามที่มีคุณกับเราเราอยากจะให้ท่านเหล่านั้นรู้ทมที่เรารู้อยู่บัดนี้มันอยากจะตอบแทนท่านทุกคนควรจะรู้สิ่งที่เรารู้วันนี้ก็หวนไปถึงผู้มีคุณทุกคนเลยฆ่าไม่ได้แม้แต่คนเดียวถึงบอกบุญคุณต้องชำระ มันต้องชําระหนี้ศินต้องชดใช้ถึงบอกเออกว่าเราจะเก็บตกได้หมดนี่มันไม่ธรรมดาสะสมแต้มเก็บสแปนนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นของเล็กน้อยนะถึงบอกหลายคนเกิดหลายภพหลายชาติถึงบอกระดับโสดาบันจะไม่ข้ามอาณาจักรหมดเลยทุกคนทุกองค์ทําไมต้องรอเจ็ดภพ บางทีมันยังมีเรื่องคำว่าแรงกรรมวิบากที่ยังมีผลอยู่แต่พกคนที่กรรมวิบากเบาบางก็สามารถบรรลุต่อได้เลยไม่ต้องรอชาตินาโซดาก็มาอารหันได้ในชาติเดียวกันพอถึงจุดนี้จะมาบอก ง่ายก็ตรงนี้ไปยากก็ตรงนี้วิบากกรรมเป็นสิ่งขวางกัน้นคือกรรมที่เราสร้างด้วยตัวเราเองต้องชดใช้ต้องชดใช้อย่างพระโมคคัลลานไม่ใช่ว่าอารหันแล้วจะหมดกรรมวันนั้น ยังดีที่ท่านอารหันชาตินั้นแล้วก็โดนทุกเป็นชาติสุดท้ายแต่ทุกชาติถูกทุกมาแล้วนะในชาติสุดท้ายก็ต้องโดนตีก่อนอารหันใช่ว่าจะพลกลับถึงบอกนี่เวนกรรมมันเหมือนกับรากที่หยั่งลึกโผลําต้น แตกกิ่งออกดอกออกผลมากมายมันเหมือนมันเพิ่มพูนนะเป็นเทวิฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ภาวนาปฏิบัติหยาบไม่ได้เลยเรื่องกรรมพอรู้เสร็จเรารู้สึกเคารพในกฎกรรมเลยนะเมื่อก่อนเราบอกเอ้ยทาอะไรเขาไม่รู้เดี๋ยวก็จบก็หกจะไม่ได้ เดี๋ยวก็สิ้นเรื่องคิดง่ายแต่มันเป็นความคิดของคนโง่ที่หลอกตัวเองและเข้าใจว่าหลอกคนอื่นแล้วเรื่องทั้งหมดมันโยนหินใส่ไปในบอ่อแล้วก็หายไปกับบอ่อวันหนึ่งเราต้องลงไปรื้อบอ่อตรงนั้นมันตันน้ำไม่ออก หินก้อนที่โยนนั่นแหละจะขึ้นมาใหม่เราต้องคนลงไปรื้อขึ้นมาในฐานะไปทำให้ทางน้ำตัวเองตันเองน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของกฎกลับเชื่อจะมาไหมละ่ะมีหน้าถึงจตมาจึงบอกโซดาบันใหญ่ไม่กล้าสร้างบา ท่านกลัวแล้วท่านเห็นแล้วทุกโทษเวรภัยยอมตายแต่ไม่ยอมสร้างบาปเอาสิจะมาบอกมิหน้าปิดนรกได้เขาฆ่าเราแต่เราไม่ฆ่าเขาเราไม่ตกนรกคนฆ่าเราตกนรกท่านถือศีลทำแต่ไม่ยึดถือตัวตน เหนือชั้นจริงๆปัญญาตรงนี้แต่ถ้าปัญญาอย่างเราเนี่ยนะผูุ้ชนผู้ยังมากด้วยกิเลสสติของเราเราละลึกไม่ได้ถึงขั้นนี้ของเราได้แค่ว่าสุดทนก็ฟิลขาดเกินทนก็ต้องระเบิด ไม่ไหวก็ต้องตกตีกันหน่อยและก็เรื่องนี้มันก็เป็นจริงอย่างที่พวกเราอยู่กันทุกวันนี้แต่โลกของพระอริยะไม่มีอาวุธไม่มีศาสตราวุธใจไม่มีอาวุธจบแล้วแต่ใจพวกเรานี้อย่าบอกว่าไม่มีอาวุธนะมันซ่อนอยู่นะ โยมว่าไม่มีอาวุธละอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อจริงเชื่อไม่ได้ลองย่วยถึงจุดเียวยงเดือดพุดพุดพพุเป็นไดานาไมต์ได้นะไม่ใช่มีดนะระเบิดเลยตนะู้แต่โซดาบัน ไม่มีระเบิดไม่มีอาวุธเขาฆ่าก็ตายแต่เวรกรรมเราไม่ได้สร้างคนทาคือคนสร้างถ้าเป็นกรรมวิบากชดใช้ก็ถือชดใช้เลิกแล้วต่อกันแต่ถ้าเป็นกรรมใหม่ผู้ที่มาทำลายเราเขาก็ได้รับกรรมหนักสืบต่อไปในโอกาสภายภาคหน้า ตมาบอกมิห น, นานรกท่านไม่ไปเพราะคติของจิตท่านเป็นผู้เห็นธรรมะไม่ใช่เห็นตัวยากก็ตรงนี้อีกข้อหนึงง่ายก็ตรงนี้อีกข้อหนึ่ ง, ง, ง, งถึงบอกจิตในจิตรู้จิตแจ้งจิตภายในจิตคนไม่วิปริตไม่วิปลาสก็รู้แจ้งจิต ท่านวางได้ปล่อยได้เจ็บปวดท่านก็ไม่มีแ้นใจถูกแย่งชิงคดโกท่านก็ไม่คิดทำลายใครงบอกและนรกมันจะเกิดยังไงเนี่ยภูมินรกทุ ก, กติภูมิเกิดไม่ได้เพราะจิตของท่านไม่ไปสู่อกุศลจิต ธรรมานั่งดูอยู่นานนะไม่ใช่ไม่ดูโสดาบันดีตรงไหนโสดาบันวิเศษตรงไหนโสดาบันหลุดพ้นได้อย่างใดโสดาบันจะประพฤติอย่างไรเราต้องดูก่อนมันเหมือนกับการแกะสลักประตูโบทหน้าต่างโบทก็ต้องรู้ก่อนว่าเนื้อไม้อะไรที่เอามาแกะสลักเนื้อไม้ชนิดนี้ทนต่อการ ีขาดแค่ไหนมีความเหนียวแน่นแค่ไหนเวลาต้องการแกะรูปลักขึ้นมาทั้งโนนทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหนาทั้งบางนะจะรักษาเส้นแล้วก็ลายได้อย่างไรไม่ธรรมดายมต้องรู้เนื้อก่อนมันเหมือนกับพื้นฐานของจิตก่อนพอวาดอะไรลงไปแกะอะไรลงไปนะ ว่าเออพื้นฐานของโซดาบันท่านมีดวงตาเห็นธรรมสุขก็ไม่ได้เที่ยงทุกก็ไม่ได้เที่ยงแสดงว่าท่านไม่ติดใจในสุขและก็ทุกท่านกําหนดรู้ทั้งไม่สุขและก็ไม่ทุกท่านก็รู้ของพวกเราถ้าสุขก็อยากสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นไหมอยู่ด้วยอะไร อ, าอํานาจแห่งความดิ้นรนหรือดิบ ด, ดิ้น พอทุกข์ก็ร้อนรนดิน้นรนด้วยอำนาจแห่งความดิด้นดิ้นต่อเร่าร้อนไปไม่ได้จิตไม่สงบจิตไม่สบายวุ่นวายจริงๆแต่โสดาบันไม่สุขท่านเห็นแล้วไม่เที่ยง ทุกก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่ควรยึดทุกก็ไม่ควรยึดทั้งสุขทั้งทุกท่านรู้สภาวะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเห็นโดยความไม่เที่ยงแสดงว่าไม่ยึดเป็นตัวตนร่างกายนี้ท่านก็เห็นโดยความไม่เที่ยงมีอาศัยอยู่ใช้อยู่และก็ต้องดับไปในที่สุด ท่านจริงไม่ตกใจเหมือนที่พวกเราตกใจแบบช็อกกันบางคนนี่ช็อกตายก็มีคือมารู้กระทันหันแล้วก็รับสิ่งที่เกิดนั้นไม่ได้ช็อกช็อยิ่งเป็นโรคหัวใจด้วยนะโอ้ควบคุมไม่ได้แล้วก็เป็นตายกันในค้วงขนาดจิตนั่นเอง แต่โซดาบันไม่ช็อกตายไม่ช็อกตายท่านไม่มีเรื่องที่ตื่นเต้นชีวิตตายท่านยังไม่ตื่นเต้นเลยโยมถูกไหมความรวยความจนท่านก็ไม่ตื่นเต้นแล้โยมว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้าง ชีวิตเป็นตายท่านยังไม่ตื่นเต้นเลยได้มาจากไปความสูญเสียท่านก็กำหนดได้หมดแล้วเหมือนรู้ข้อสอบที่กำลังออกเลยบอกให้ทำข้อสอบท่านก็ตอบได้หมดเลยที่บอกแต่อย่างพวกเราเนี่ย มึงด่ากูมึงว่ากูมึงทำายกูมึงเอาของกูกูทั้งนั้นเห็นไหมจริงไหมแหละโยมที่โกรธันเป็นฟืนเป็นไฟกัดฟันกรับกรัขนาดนอนนะยนงเครียดแค้นฟันต้องมารับกรรมแทนกุกคนฟังนี่เสียวแทนถ้ามากัดหูแล้วไม่ขาดแลยเนี่ย มันแค้นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนอนนี่กลัวกลัวกลั ว, ลวไม่ใด้ทัวรในฝันขนาดาษนอนหลับบางคนหลับก็ไม่เป็นสุขอารมณ์จิตตกค้างอยู่ก็เกิดเป็นฝันขึ้นเป็นนิมิดขึ้นมา ตื่นขึ้นมาก็ยังกังวลผูกใจอยู่ยังติดใจอยู่ชีวิตมันหมดแล้วนะหลับก็ไม่เป็นสุขตื่นมาก็เป็นทุกข์เนี่ยและโยมจะไปอยู่ประเทศไหนไม่มีแล้วที่จะอยู่ให้เป็นสุขได้ทั้งหลับแล้วก็ตื่นเนี่ยแย่หนักนะ ฉะนั้นผู้ภาวนาปฏิบัติหลับยังไงให้เป็นสุขมีวิธีปฏิบัติตื่นย่างไรให้เป็นสุขมีวิธีปฏิบัติเอาอย่างผู้ใหม่มาตมาก็บอกเวลามาอบรมตมาบอกคนเราเวลายมจะนอนยมแต่งชุดไหนเวลาหลับตื่นมาก็อยู่ในชุดนั้นนี่คือหลักง่ายๆมองด้วยตาเนื้อไม่ต้องสงสัย ใช่เหมือนกันเวลาจะหลับถ้าเรากําหนดจิตภาวนาไปใหม่ๆอาจจะใช้พุโทโธดูลมอะไรก็สุดแล้วแต่ให้จิตเป็นหนึ่งสมาธิอยู่กับองค์ที่เราภาวนากําหนดจดจอ่อพอเริ่มที่จะรู้สึกว่ามันสงบหรือว่าเริ่มง่วงก็ปล่อยเวลาหลับถ้าจิตเป็นสมาธิการหลับ ทั้งคืนในแปดชั่วโมงนั่นหลับในสมาธิเต่นขึ้นมาเนี่ยจิตไม่กระวนกระวายและพิสูจน์ได้อาจจะเพลียร่างกายงวงเงียแต่จิตไม่งวงเงียมันนิ่งสงบถ้าอยากพิสูจน์ได้เลยนะพอลืมตาปุ๊บลุกขึ้น คือไม่ได้ลุกจากเตียงลุกจากที่นอนสลัดตัวลุกนั่งกำหนดจิตเลยในแค่สองนาทีโยมจะรู้ว่าจิตเรามันละเอียดลงหรือสงบลงแล้วตื่นมาใจก็จะสบายเพราะอะไรเรานอนในสมาธิตั้งหชั่วโมงเจ็ดชั่วโมง8ชั่วโมง เราหลับอยู่ในสมาธิเมันกับแต่งชุดแต่งชุดไหนตื่นมาก็อยู่ในชุดนั้นจิตก็เช่นเดียวกันนี่คือวิธีนอดเวลาตื่นขึ้นมา ก, ก็มีวิธีอีกแทนว่าเราฟุ้งซ่านมากๆพอมีเวลาปุ๊บกาหนดเลยพุทโธไปเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือกําหนดอะไรก็ได้ดูรวมหรือเจริญกุศลอยู่ อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความสงบงานหน้าที่ทําไปแต่พอว่างปับใจที่ฟุ้งออกไปมากก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตจะไม่มีอาวุธคิดฆ่าเพราะจิตเป็นพุโทโธเป็นดอกบัวรู้ตื่นเบิกบานเราฝึกไปเรื่อยๆใหม่ๆดูเหมือนไม่ได้ผลทําไปบ่อยๆ แล้วผลจะมีเอาน้ำหยดเดียวโยมว่ามันแก้กระหายได้ไม่ไม่ได้หรอกต้องรอน้ำหยดหยดลงมาเรื่อยๆต่อเนื่องมาบ่อยๆ บ, บ, บ่อยๆเข้าเป็นตุ่มก็เต็มตุ่มเป็นองค์ก็เต็มโอค์เป็นไหก็เต็มไหแต่ใหม่ๆเนี่ยดูเหมือนไม่ได้ผลอย่าท้อก่ออิด ก, ก้อนแรกโโยมจะได้กาแพงใหญ่ไหม ไม่ได้หรอกคำว่าใจร้อนใจเร็วเนี่ยอาตมาก็ว่าไม่ได้เบาวกว่าใครนะถ้าเรามีปัญญาเราใช้ให้เป็ดสิ่งที่ควรช้าเราช้าเป็ดสิ่งที่ควรเร็วเราเร่งรีบให้เป็นได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างน้ำขึ้นให้รีบตัก ช้าๆได้พระเล่มงามถ้าเข้าใจสองอย่างโอโหชีวิตไปได้สวยแต่ถ้าไม่เข้าใจขัดแย้งกันจนตายเจาย้าช้าเจ้าเร็วเจ้าเร็วจเวจเ้าช้ามันดีทั้งสองอย่างบอกช้าเล่มงามเร็วน้ำขึ้นให้ตักแต่มาบอกเราเข้าใจคันลองแค่ไหนถ้าเข้าใจคันลองการนี้ควรช้ารอบครอบไว้การนี้ควรรอ ไม่ใช่รอเพื่อให้หมดเวลาแต่รอเพื่อให้ถึงเวลาต้องเข้าใจนะหลายคนรอเพื่อ ห, หมดเวลาตะบอกเป็นเวลาที่ไร้ค่าแต่ถ้ารอเพื่อถึงเวลานะ่ะเป็นสิ่งที่มีค่าถูกไหมโยมฉะนนการรอมีสองอย่างรอแบบไร้ค่ากับรอแบบเมื่อถึงเวลามันจะมีค่าขึ้นมาเวลานั้นเราจะได้พระเล่มงาม ถรีบต้องรีบให้เป็นการงานไม่ข้างค้างทำแล้วให้เสร็จชีพิตเราต้องเดินต่ออีกไม่ใช่ควรจะทำให้เร็วก็มาอืดอา่านยืดยาิเสียเวลาร่ำไรที่เขาว่าอะไรตลาดจะวายมาแล้วก็ไม่มีอะไรขายแล้วหมดทุกอย่างอเออเข้าใจฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยคำว่าละเอียดเนี่ย จะเกิดนะความละเอียดละเอียดอ่อนความสุขขมปรานีความรอบรู้เนี่ยจะต้องมีคำนี้ด้วยอย่างนั้นปัญญาจะไม่ถึงการพัฒนาสู่ปัญญาต้องเริ่มจากคาว่าความละเอียดความรอบครอบและการรอบรู้นี่คือพื้นฐานของปัญญากว่าเป็นพื้นฐานของปัญญาพอรอบรู้เสร็จ เราแยกแยะได้แล้วหนักเบาดีชั่วบาปบุญคุณโทษเหตุแล้วก็ผลสุขแล้วก็ทุกข์เราเข้าใจทั้งเหตุทั้งผลและสิ่งที่โยมจะเลือกต่อมมาบอกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและก็ดีที่สุดในเวลานั้นเวลานี้สิ่งที่เลือกนี่คือดีที่สุด แต่อีกสิบวันข้างหน้าอาจจะได้เลือกสิ่งที่ดีกว่านั้นอีกก็ได้ฉะนั้นต้องเข้าใจว่าคันลองมันมีอยู่มีอยู่ยมเรียนหนังสือปริเสธก็ไก่ถึงอ้อน้องฮูกและจะเอาปรินยาตรีโทเอกเลยตะมาบอกเป็นคนพูดที่ไม่รู้ความจริงไม่รู้สละสอาสอา กกากีกกู ก, กขึ้นมาเกะเกะขึ้นมาแล้วโยมจะรู้ได้ยังไงว่าภาษาเขาอ่านยังไงเมื่อไม่รู้ภาษาจะเรียนต่อได้ยังไงก็ต้องเริ่มจากกอเอ๋ยกอไก่ใส่สาระไอเติมแม่เอกเป็นไก่ถ้าใส่หม้อเป็นไก่ต้มใส่กระทะเป็นไก่ทอดแต่มาเข้าใจท่านเสียบไ ม, ม้เป็นไก่ปิ้งฉลาดไหมโยม ถ้าใส่ตู้เป็นไก่อบแน่ยังไม่จบต้องเข้าใจไข่ก็เหมือนกันใส่กระทะก็เป็นไข่ทอดเหมือนกันใส่หม้อน้ําเดือดก็ไข่ต้มไข่พะโลไข่ลูกเขยทําเป็นไข่ยี่ยม้า ก, ก็ได้แล้วแต่จะว่ากันหรือเป็นไข่ลวกก็ได้ เวลานี้เราได้สิ่งนี้ถึงบอกคนปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เรามีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รอบรู้สิ่งนั้นสุขทุกขมีอยู่ทุกที่โยนปฏิเสธเลย ว, ว่าสุขทุกมีอยู่เฉพาะที่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่มีอยู่ทุกทั่ว หัวแลแห่งทุกตำบลทุกแว่นแคว้นน้อยใหญ่มีหมดแต่โยมต้องเข้าใจและจำแนกแล้วก็ใช้ชีวิตเขาเรียกอยู่ให้เป็นเอาภายเรือต้องภายให้เป็นภายไม่เป็นเรือวนและดีไม่ดีเรือจบขับรถขับให้เป็นขับไม่เป็นเดี๋ยวชนตายทุกอย่างชีวิตก็ใช้คำเดียวใช้ใช้ให้เป็นใช้ไม่เป็นชนกันตาย หรือทะเลาะกันตายมีเรื่องกันตายและโยนลู้ไหมก็มาใช้เป็นยังไงชีวิตใช้ให้เป็นเหตุเป็นผลอย่าใช้ให้เกิดเป็นอารมณ์คนใช้ชีวิตเกิดอารมณ์จิตขึ้นมาและทำอะไรมักจะพละาดธรรมะเคยบอกความสำเร็จไม่เคยเกิดจากอารมณ์แต่ความสำเร็จ เกิดจากความรอบรู้แล้วก็เหตุผลแล้วก็รู้ทานองถ้ายมไม่รู้ทานองนะยไมไปเปิดเพลงร้องให้เข้าทานองไปฝึกเต้นเต้นให้เข้าทำนองแม้ทมอาหารยังมีขั้นตอนควรจะเอาอะไรวางก่อนวางหลังเตรียมอะไรก่อนไฟต้องแรงหรือไฟต้องอ่อนทำอะไรกี่อย่าง มันมีของมันอยู่ขับรถก็ยังมีเกียร์หนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่รู้คันลองและจะเอาแต่ใจตัวเองนะพังเอารถออกมาใหม่เข้าเกียร์สามออกขึ้นเนินเข้าเกียร์สี่เรียบร้อยเข้าโคง้งไม่ต้องเบรกสมรรถนะรถสูงนลงไปดูคอหักไปแนละ้ว ใช้ชีวิตไม่เป็นขับรถไม่เป็นคันลองชีวิตไม่รู้จักใช้ชีวิตโยมมีแต่ใจแย่และตกต่ำลงโยมอย่านึกนะว่าคนจนไม่มีความสุขคนรวยเท่านั้นจึงมีความสุขเราทึกทักเองอาตมาก็เคยยกตัวอย่างทึกทักมาแล้ว แล้วก็สุดท้ายก็รู้คำตอบเงินทองไม่ใช่คือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขสบายความอัตคัดขัดสนมันเป็นทุกข์ไม่เป็นแต่มันเป็นสภาพของเปลือกชีวิตดูอยู่แบบเหมือนขาดความสบายแต่สิ่งที่วัดกันจริงๆก็คือจิตใจ จิตใจของใครมีความสุขกว่ากันคนนั้นคือผู้ชนะการรบใช้ฝีมือและพละงกำลังต่อสู้จิงวัดกันว่าใครแพ้ชนะยุตวิธีแต่ชีวิตการเป็นอยู่ที่ชนะ ไม่ใช่ความสบายแต่คือความสุขของชีวิตต่างหากโยมอย่าไปเข้าใจว่ามีทุกอย่างแล้วมีความสุขเข้าใจผิดแหละเข้าใจผิดแต่ไม่มีใช่ว่าจะไม่ทุกแต่ไม่ใช่ว่าทุกทั้งหมดทุกอย่างมันมีข้อยกเวน้นโยมจะหาเปลือกหรือจะหาแก่น จะหาความจริงหรือจะหาสิ่งจอมปลอมฉะนั้นโยมต้องแยกเนื้อกับเปลือกแล้วก็แกะถ้าเราไม่แยกเลยสุดท้ายโยมจะได้แค่เสียงหัวเราะแต่จิตใจยังมากด้วยทุกข์กตมาเชื่อว่ามนุษย์สุดท้ายก็ไม่ต้องการสิ่งนี้ ดูพระโสดาบันทำไมท่านจิงมองด้วยความไม่เที่ยงก็ท่านเห็นสัจจะความจริงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแล้วท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมั่นหมายท่านรู้เสร็จท่านปล่อยวางชีวิตท่านจะผ่านอะไรท่านก็รู้แต่รู้แล้วท่านก็วาง ท่านจริงไม่ต้องมีคาว่าโกรธแค้นพยาบาทจองเวรจริงเรียกว่าสำเร็จไปแล้วจุดน่ท่านไม่มีเวลาที่มามาหลงอยู่กับเชื่อเสียงเกียดจอมปลอมวัตถุจอมปลอมที่ท่านต้องทุ่มเทชีวิตเปล่าท่านทุ่มเทให้กับอริยมรรคอริยผลคืออะไรโยมท่านปฏิบัติ จนถึงจุดหนึ่งท่านรู้แล้วว่าแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ที่ว่าพระองค์เห็นทุ ก, ทกเหตุของทุกความดับและการออกจากทุกโดยแท้นี่คือหัวใจของการบรรลุ รัสรู้ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นมนุษย์ที่แย่งกันฆ่ากันฟันกันทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมนุษย์ก็ยังหลงอยู่จนถึงปัจจุบันชื่อเสียงเกียรติยศอํานาจเงินตราทั้งหลายพอเกิดความร่วครอบงํามีความโกรธครอบงําเกิดความหลงไหลครอบงํามนุษย์ ก็ทำลายกันเองเมื่อได้มาใช่ว่าจะมีความสุขรัตมาถามโยมความสุขมีมั้ยว่าได้มาจากการทำลายได้มาจากการเยอะแย่งกันเข็นฆ่ากันปล้นจี้กันคมเหงกันเบียดเบียนกันไม่มีแสดงว่าจิตเหล่านั้น พระโสดาบันท่านเล็งเห็นแล้วท่านจึงสุขจากการไม่เบียดเบียดยมฟังคำนี้นะสุขจากการไม่เบียดเบียดจะบอกท่านสุขด้วยศีลก็ใช่ศีลดำให้ท่านมีความสุขสงบสุขจากการทมฌานสมาธิก็ใช่จิตท่านตั้งมันไม่วอกแวกไม่หวันไวไม่วุ่นวายไม่วู่วาม แต่จิตที่ตั้งมั่นจนถึงจิตที่สงบนิ่งวางเป็นอุเบกขาคือเรื่องจะเกิดก็ไม่ยินร้ายเรื่องจะเกิดก็ไม่ยินดีแต่รู้ที่เกิดเรื่องทั้งหมดไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้รู้ทุกอย่างสุดท้ายท่านก็ปรงทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งจอมปลอมที่สุดก็ว่างเปล่า ฆ่ากันไปฆ่ากันมาที่สุดก็ว่างเปล่าโกโรธกันไปโกโรธกันมาทําลายกันไปทําลายกันมาสุดท้ายก็ว่างเปล่าชื่อเสียงเกียรติยศนับร้อยนับพันปีรุ่นสู่รุ่นสุดท้ายเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แต่มนุษย์ยังไม่ได้สติยังหลงกันอยู่ ที่สุดก็ไม่ได้คำว่าอิสระจิตจริงไม่ได้คำว่าจิตที่พ้นจากกิเลสถูกควบคุมอยู่ด้วยอานาจของกิเลสคือโลภโกรธหลงยงยันนึกแล้วพวกเราไม่มีมีทุกคนแต่ใครจะละได้เร็วกว่ากันธรรมาก็มีถ้าไม่มีธรมาคงคงไม่ต้องบวชหรอกโยบวชแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัต มีแต่ใครละได้เร็วกว่าใครสำนึกได้เร็วกว่าใครรู้แจ้งจิตได้เร็วกว่าคนนั้นก็ถึงก่อนคนถึงก่อนก็เรียกว่าเป็นพี่ใครถึงที่หลังก็เป็นน้องใครที่กำลังตามมาก็นับว่าเป็นญาติอยู่ส่วนที่ไม่ตามมาที่อยู่ฝั่งหนึ่งก็เหมือนจะเป็นศัตรูกันคื อ, อยังมองหน้าอยางคิดว่า ต้องห้ำหันกันอีกแต่ฝั่งทางเราเนะี่ยจิตไม่มีศาตราและก็ไม่ใช่ว่ากลัวคนเหล่านั้นไม่ได้กลัวแต่เรากลัวคำว่าแรงกรรมและโยมก็ควรที่จะกลัวด้วยฆ่าลูกคนอื่นก็เหมือนฆ่าลูกตัวเอง ทำลายคนอื่นก็เหมือนทำร้ายตัวเองในที่สุดควรสะดุ้งต่อบาปแล้วก็เรื่องจริงให้อาตมาบังคับให้เอาดาบจับแล้วก็ให้ฟาดเขาเนี่ยอาตมาก็ต้านเต็มที่อย่าว่าแต่ข่าเขาถึงจับมือให้ฟันตาก็ไม่ฟันบอกจ้างร้อยล้านร้อยล้านตาก็ทำไม่ได้บาทเดียวก็ทำไม่ได้ เท่ากับเราฆ่าตัวเองมันมีความสุขตรงไหนฆ่าลูกตัวเองมีความสุขตรงไหนเราอยากให้เรามีความสุขปราถนาให้บุตรธิดาเรามีความรุ่งเรืองไม่ใช่ถูกทำลายถ้าโยมเกิดในยุคกรียุคนะโอ้โหถ้ายิ่งเกิดในยุคยมเคยศึกษา ประวัติของจีนเรื่องสามก๊กไหมาตายกันเป็นล้านล้านสู้กันมาเป็นเจ็ดสิบแปดสิปีติดต่อกันดูดิโยมตั้งแต่เริ่มจากพวกตังโตโจโ ช, โชแล้วก็ว่าไปเล่าปีสุดท้ายตะมาดูตายกันหมดอายุไม่ยืนทั้งนั้นถึงบอกเออ เข็นฆ่ากันไปฆ่ากันมาอายุสั้นกันหมดไม่มีใครเชื่อใครกันไม่มีใครไว้ใจใครกันคนที่ไม่ยกไปรบเมืองอื่นก็กรวเมืองอื่นข็แข็งทหารพร้อมก็จะยกทัพมาตีเมืองเรากันเราก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลงโอ้ยตายถ้าอยู่กันอย่างนี้ ความไม่เชื่อใจความหวาดระแวงก่อให้เกิดการเข็นค่าเพียงเพื่ออะไรอยงคนจีนก็จีนด้วยกันคนไทยก็ไทยด้วยกันก็ยังเข็นค่ากันอยู่จนถึงทุกวันนี้มันไม่น่าจะจะมีถึงถึงยุคนี้น่าจะพอนะ แต่ยุคนี้ก็เปลี่ยนมันเป็นกองกรำลังเกลียนเข่นกันไปฆ่ากันมาฆ้านไปฆ่ากันมาแล้วจะมีความสุขไหมเนี่ยจับอกเออดีที่เราไม่เกิดในยุคนั้นถ้าเกิดในยุคนั้นโยมไม่จับอาวุธก็ไม่ได้ มันเป็นยุคจริงๆฉะนั้นพวกเราเนี่ยจึงบอกเกิดมาในประเทศที่ที่ดีมีศีลมีธรรมมีธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เกิดในยุคการเข็นฆ่ากันไม่ต้องคอยหนีกันไม่ต้องอกสันขวัญแขวนกันสบายเพียงแต่ว่าเราไม่ทำชั่วไม่ไปสร้างเวรภัยกับใครก็ตามมาก็ว่า มีเวลาที่จะภาวนาบําเพ็ญตอนนี้รีบปฏิบัติภายภาคหน้าเราไม่รู้เปลี่ยนไปสามสิบปียุคนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ฉะนั้นยมสุขจากการไม่เบียดเบียนสุขการจิตที่สงบสุขจนสุขจากจิต ที่ไม่ตกเป็นธาตุของกิเลสวันนั้นโยมก็จะรู้ว่าสุขอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วในชีวิตที่เราเคยได้มาไม่มีและเทียบอะไรก็ไม่ได้อีกเลยพอสิ้นสุดของร่างกายจิตของเราก็ดับสูญลงสุดท้ายก็ว่างเปล่าที่จะมาบอก แต่กว่าจะถึงคํานี้หนทางอันยาวไกลคงกันดานพอสมควรโยมก็ต้องฝ่าฟันมาเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าถึงทำขั้นสูงสุดของพระพุทธเจ้าโยมก็จะพ้นจากภัยจากทุกข์ทั้งหมดนี่คือการปฏิบัติที่เราจะต้อง มีสติให้มากแล้วก็ศึกษาจิตกำหนดรู้ไปเรื่อยๆทั้งหลับก็ให้จิตฟุ้งซ่านมันกำหนดจิตไปเรื่อยทั้งตื่นก็มีสติอย่าหลงไหลมากเกินไปภัยชีวิตมีมากกว่าถ้าเราหลงมันเหมือนกับเป็นน้ำบนจะดูดเราลงไปสู่ใต้น้ำ แล้วก็สิ้นชีวิตลงก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ